แม่บ้างแม่ครัวเอามาปรุงเป็นอาหารให้งานไมคานชนปรุงเป็นอาหารได้อยู่ได้กินแล้วก็มีชีวิตมีเลือดมีเนื้อแม่โรคอด <c oughs> โรคน้อยนอนกลางคืนม่ชี่มีเยี่ยวเยี่ยวใส่ที่นอนหมอนนุ่งผ้านุ่งผ้าห่ม ไม้ลูกอ่อนก็ต้องครัวผ้าครัวที่หลับที่นอนให้สะอาดถ้า ใ, ใช้ได้สิ่งไหนมันใช้ไม่ได้ทำไมมันใช้ได้ก็ห้องน้าห้องน้าสุขภกก็ต้องครัวห้องน้าให้มันสะอาดตื่เช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันมันไม่สุขภก ให้มันสะอาดขึ้นมาเให้มันใช้ได้นี่คืองานของเราเราในความหลงก็ต้องควบความหลงให้มันไม่หลงเราในความทุกข์ก็ต้องควบความทุกข์ให้มันไม่ทุกข์ให้มันใช้ได้ความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงมันใชไมาได้มีศรัทธา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 ขอผู้ใ ด, ดที่พัวมีโ อ, อกาสแบ่งกันบ้างออกไปคัวกันองอาหารองก์พักดูแลทุล ะ, ละไปเจ้าอธิการต่างๆไปส้มแสม เจ้าธิการคลางแจกสิงของเจ้าธิการเยนาชนะแจกที่อยู่อาศัยเจ้าธิการฎีวนก็ใช้ไม้สายก็แจกลงไปทำลงไปก็เย็บผ้าเช่นแมต้องทำก็เย็บผ้านี่มันดีกว่าเก่าเย็บเชือถ้า้มันมีขอบมันจะได้ใช้งานได้ หมอนมันมูมันไม่เราแดดออกก็คิดเห็นแดดมันนี่ประโยชน์อะานเอาหมอนที่คนใช้ก็่วนใหญ่ตาแดดเป็นแม่ขัวแม่บ้านใครก็ตามถ้าทำให้มันเกิดขึ้นแล้แม่จะเป็นพระก็เป็นแม่ทำสีที่มันไม่ดีให้หนีขึ้นมาเหมือนแม่ก่อนพ้ามันโชกปกคซับค้า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 มันก็มีอยู่เวลาเราไม่สติมันจะฉายออกมาเหมือนเรามีตาดูจอจอโลกโจอทีวีจอโทรทัศน์แล้วก็มีสติดูอะไรที่มันไม่ดีอันจอโทรทัศน์นั่นเขาให้ข้อมูลเราทีม่มนออกมาอนะแต่ชีวิตเราเนี่เราให้ข้อมูลเราเอง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 หลวงพ่อ เ, เทียนเคยสอนพวกเราเอาผ้าคุมหัวดูสิแล้วก็ผ้าคลุม เ, เดินไปถ้ามันหลุดออกวิธีใดผ้าจะหลุดเดินไปให้ว้าหูลุกเออให้มันเป็นอย่างนั้นน่ะให้เหมือนกับผ้ามันคุมหัวอยู่หลุดออกไปนะ่ะลงนานละธรรมะเอามือไปแตะ ทรา ย, ยาน้ําอเมสขาดทรายเอามาเท่าไปเหยียบไปเหยียบตรงนี้ดูพอเหยียบแล้วมันจืดโอ้ให้เป็นอย่างเนี้ยด๊อกขาขึ้นมันก็ซึมขึ้นมาเป็นสีน้ําสีอะไรพอไปเหยียบแล้วมันจืดเฮ้ยเป็นเนี้ยเหมือนกับเอามือไปไปแตะคนเด็กน้อย รู้จากก้นเด็กน้อยเ ม, ม่ลู ก, ก่อนลูบลูกมาไม่ลุ่งผ้าเอามือไปเตะมันจะขาวตกลงไปมันจะขาวแล้วยกหมวกผิวหนังเด็กเขาจะแดงเพอพะมือไปเตะมันจืดเออมันจืดแบบนี้มันจืดมันจื ด, ม, จดมันไม่มีรสชาติ สกุก็ไม่มีรถทุกข์ไม่มีรถโกรธโลภหลงรักลักชังชังไม่มีรถชาติเลยเป็นชีวิตชีวิตมันต้เป็นอย่างนี้คือไม่เป็นอะไรแบบนี้ทําไมจะต้องไปทุกข์การเจ็บการแช่การเกิดการตายอะไรไมาต้องไหนนี่มันเบาบางที่สดด้วยใจโศพแค่แต่คิดเฉยๆก็ทุกข์แล้วนะ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 เป็นอย่างนั้นน้ำจะเป็นอย่างนั้นมันตกอยู่ในความมาเที่ยงตกอยู่ใความบรรทุกตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวต น, นอดเลยไม่ได้ทำอะไรเลยพอเหตุแจ้งมันก็มืดทงหมดไปเลยแจ้งที่หัวใจไม่เหมือนแจ้งที่ไปดีอ่อน ยาเกิดขึ้นแล้วจะเราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วจะเราปัญญาเกิดขึ้นแล้วจะเรามันเกิดเราใช้ให้มันเกิดมันเกิ ด, กดทำอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะไม่วิชาสังขารก็ดับสังขารดับนามรูปดับ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 การงานชอบเรี่ยงชีวิตชอบ<ม>ความเพียรชอบมีสติชอบมีสมัที่ชอบจบไปเสร็จเลยปัดมือเลยไม่มีอะไรทําอีกน่าจะเป็นครับพูดตองเฉพาะอดของผู้เจ้าชาชินแล้วธรณีจัน์อยู่จบแล้ว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 ต้องถอยกับชีวิตสุดมันคือไม่เป็นอะไรมันจบควมหลงก็ไม่ต้องเมนินผลายความทุกข์ไม่เป็นผลายความโกรธไม่เป็นผลาญก็ไมพอใจก็มไม่พอใจไม่ได้เป็นพระะต่อชีวิตของเราอยู่ต่อไปแต่มีชีวิตเป็นนิรันดรอมตตะหรือไม่เป็นอะไรม า, าจะทาน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 เรียกว่าพละพละห้าบุรีโคธิปักขีธรรมแลพระสูตรเครื่องตัดฉลูเป็นชีห้าพละห้าอิทิบาสีเป็นชีห้าพรจงเกตมะวิองแปดขบวนกัน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 พระที่ไหนทำอะไรมันสาเร็จแต่จบทันทีของงยากเป็นของง่ายของหนักเป็นของเบาไอ้ชีห่าอยู่ที่ไหนพระสงเกตดอยู่ที่ไหนมรรคองแปดอยู่ที่ไหนรวมแล้วคือดูดูเห็นไม่เป็น ด, ไไดูไม่ใช่ตาไปดูไม่ิสฉิตเป็นดวงตามันก็ไม่รับไปลี่มันฉุกเห็นวันฉุกมันหลงเห็นมันหลงเลงวลาเราปรับควมเพียรดูมันมันใจออกมาแบบไหนอย่าไปหลบไปรี่กปกปิดช่อนเล่นไม่ได้ดูมันมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลง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 เฮ้ยงงทันทีเลยบัวชีเลาวทันทีอุคติตนอยู่บุคคลเหมือนบัวพ้นน้ำต่อได้รับแสงสว่างบานทันทีเฮ้ยพวกนี้นะใครรูอ้อุทกาดาบทาดาดาบทาไม่มีแล้วใครอีกละ่ะปัญญบคีน่ะเพราะจะมีปลาอ ย, ยอาจจะวิ่งน้อยสักสา300อมร้อยกมสามรอยกม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 ดังมีรถกับหลวงพ่อเทียนอยู่ทํำยังไงก็ไม่ฉุดหัวใจหลวงพ่อเทียนสอนให้เรารู้จักโลกทำหนามทำรู้จักธรรมะแล้วก็ได้สัมผัสแม ห, หลวงพ่อเทียนไม่มีกับมีอยู่ในหัวใจเราเนี่ชีวิตนี่ก็ไม่มีใครที่จะที่เราจะเคารพมาก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 ใกล้ๆวัดใกล้ๆเนี่ยหลังๆจะติดต่สอสสมาตั้งโรงพยาบาลใหนะ้บ้านท่ามอาฟัยหวานนะต่าบุรีท่ามอฟัยหวา น, นะา น, าาานอยากไม่ตึกของเราต่างหากอากไปนอนอยู่ด้านคอยดูคนป่วยใกล้จะตายแล้วนะ <c oughs> นะอยากจะไปช่วยดังนี้นะ อันนี้เจารย์ฉินก็มาช่างหลังหนึ่งไปเนี่ยมันไม่ทั่วถึงถ้าเป็นโรงพยาบาลเนะี่ยคนป่วยมาอยู่จะได้ไปช่วยดูแลอ่ามันก็คิดแบบนี้ยอยากจะช่วยมันไม่น่าจะทุกมันก็ทําได้จริงจริงมันถ่ายใจไม่ได้แต่ไปบอกเขามันปวดจะไปบอกเข า, ม, เขามันต้องปวด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 ดับมันด่านนั่นนะเป็นจุดที่มันจะจะพบกันที่นั่นเหมือ น, นปากทางเดิน <c oughs> ก้อนหนึ่งก็เกือบจะได้แล้วลงไปบานแต่มันได้ทรับใหญ่ก่อน <c oughs> เขาอ้างว่าทรับใ์ใจเป็นจริงข้ า, าไฟหวานยังไม่เป็นจริง